และความสุขที่ว่าประนีดยิ่งขึ้นไปอีกนั้นดีอย่างไรทำไมท่านผู้ได้ประสบรู้จักสุขประนีดนั้นแล้วจึงว่าดีเยี่ยมกว่ากามาสุขถึงกับละเลิกกามาสุขไปเสียทีเดียวส่วนเสียคือโทษและข้อบุกร่องต่างๆของกามนี้กล่าวโดยย่อมองได้สามด้านหรือมีสามตำแหน่งคือมองที่ภายในตัวบุคคล มองที่ตัวกรรมนั่นเองและมองที่ปฏิบัติการของผู้เสพสวยก ร, รมในสังคมหรือในโลกอย่างแรกมองที่ในตัวบุคคลหมายถึงมองที่กระบวนการก่อทุกข์ภายในตัวบุคคลคือการที่บุคคลปฏิบัติผิดต่อโลกและชีวิตทำให้สิ่งทั้งหลายกลายเป็นกรรมแล้วก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่นตนเอง อย่างที่สองมองที่ตัวกามหมายถึงมองที่สิ่งซึ่งได้ชื่อว่ากามที่มนุษย์ผากันสแสวงหามาเสพสเสวยหรือมองดูที่รถของกามมองดูความสุขความพึงพอใจอันจะได้จากกามนั้นเองว่ามีจุดบกพร่องอย่างไรอย่างที่สามมองที่ปฏิบัติการในโลก หมายถึงมองดูที่ผลอันเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นต้นของมนุษย์ทั้งหลายผู้สแสวงหาและเสพสวยกรรมความจริงทั้งสามอย่างสัมพันธ์อาศัยกันแต่แยกมองเพื่อเห็นลักษณะที่เป็นไปในด้านต่างๆด้านที่หนึ่งมองดูที่ในตัวบุคคลได้แก่กระบวนการก่อทุกข์ ตามหลักปฏิจจสมุปบาทเริ่มแต่การรับรู้ประสบการณ์ต่างๆแล้ววางท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างผิดพลาดปล่อยให้กระแสกระบวนธรรมะดำเนินไปตามแนวทางของอวิชชาตันหาอยู่เสมอจนกลายเป็นการสังสมอันเคยชินเจะเรียกง่ายๆว่าการสังสมความพร้อมที่จะมีทุกหรือความพร้อมที่จะมีละก่อปัญหาก็ได้ กระบวนการนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเรื่องพัฒนาการของบุคคลเริ่มตั้งต้นแต่เกิดในคันจนเติบโตดังที่ได้เล่ามาส่วนหนึ่งแล้วจึงจะเล่าต่อจากส่วนนั้นต่อไปพุทธพจน์จากมัทิมนิกายมูลปัญ น, นาตสมัยต่อมาเด็กนั้นอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้น มีกามคุณทั้งห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์ย่อมปรนเปรืยตนเขาเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมติดใจในรูปที่น่ารักย่อมขัดใจในรูปที่ไม่น่ารักฟังเสียงด้วยหูดงกลิ่นด้วยจมูกลิมรสด้วยลิ้นต้องผดผัพด้วยกายทราบธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมติดใจในเสียงกลิ่นรสผดผัพธรรมารมณ์ที่น่ารัก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 เขาคอยประกอบเอาความยินดียินร้ายเข้าไว้อย่างนี้แล้วพอสวยเวทนาอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเขายอมครุ่นคำหนึ่งยอมบ่นถึงยอมหมกใจอยู่กับเวทนานั้นเมื่อเขาครุ่นคำหนึ่งเฝ้าบ่นถึงหมกใจอยู่กับเวทนานั้นความติดใจใกล้อยากขึ้นนั้นทีความหื่นเหิมใจ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 ก็มีพรั่งพร้อมความเกิดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จึงมีด้วยประการชนีพึงระลึกถึงพุทธพจน์จากอังกุชรนิการชะกานิบาต ท, ที่ว่าอารมณ์วิจิตทั้งหลายในโลกหาใช่เป็นกามไม่ราคาที่เกิดจากความคิดของคนต่างหากเป็นกามอารมณ์วิจิตทั้งหลายในโลก